หลวงตาเป็นที่พึ่งจะขอยยึดหลวงตาเป็นที่พึ่งหวังประหนึ่งถึงองค์พระพุทธเจ้าใช่ประจบลบหลู่หรือดูเบาแต่เพราะเขาปัญญาจึงว่าไปกิเลสหนาปัญญาสามตามที่กล่าว หวังยึดเอาภาวนาหาได้ไม่พระพุทธเจ้าผู้ที่รู้อยู่ที่ใจหลวงตาไซลูกรู้อยู่ที่ตาจะหลับตื่นยืนนั่งยังฝันเห็นจะทำชั่วทำไม่เป็นหลวงตาว่าท่านจ้องมองให้รู้ในอุราจะยืดแข้งยืดขาต้องระวัง ท่านไม่ว่าตรงตรงตรงกว่าว่าท่านจู่ซ้ายโจมขวาทั้งหน้าหลังกิเลสหลอกหลบเลี่ยงอย่างจางงังถึงไม่พังอย่างแผ่วเป็นแนวทางกิเลสหลอกง่ายๆตายสนิทใจมันปิดประตูดูห่างๆแต่ที่ลับซ่อนเร้นไม่เห็นจาง มันเยื้องย่างมาหยันทุกวันคืนเลิกดื่มเหล้าเคลานารีพอดีได้แต่ว่าใจโลภโกรธโทษคนอื่นปากอภัยใจอาฆาตยังยั่งยืนไม่อาจขืนขัดได้ใจของตูขืนกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงกิเลสเป็นเปรตแน่ใจมันแพ้ทั้งทั้งยางไม่สู้ หลวงตาจุดสอนลากยากหน้าดูผูไม่รู้คุณค่าหลวงตาบัวนั่งฟังเทศใจบ่นทนไม่ได้นั่งนานไปเป็นเน็บเจ็บสุดขั้วท่านเทศว่านรกตกน่ากลัวอย่าลืมตัวมีสติสิทุกคนพร้อมทั้งเอ่ยเคยทนจนก้นแตก ฝ่าเท้าแยกแตกไปไม่เคยบน่นคำยันเช้าเช้ายันค่ายังจำทนหวังหลุดพ้นวัด ต, ตะไปสักทีเจ็ดแปดปีที่ทนจนก้นด้านถึงล้มคลานก็ไม่ย่อหรือท้อหนีอาสวะดับสิ้นจากอินทรีย์ไม่เหลือมีชาติภพก็จบกัน อยากจะขอละลดปลดกิเลสเดินตามเจตจำนงองค์อรหันสละชีพเพื่อทำคำโลกันเพื่อแทนคุณอรหันของคนไทยปาฏิหารพลิกฟ้าปัตถภีบารมีเกินกว่าอสงไขโปรดเมตตาลูกหลานเหลนหลนไทย เป็นร่มโพร่มใสไป น, น, นานๆคำกลอนจากครอบครัวยนรดีบุญ23ตุลาคมพุทธศักราชส5 5พเ